ทรงปรารบใครตอบทรงปรารบพวกภิกษุฉัพภคีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พวกภิกษุฉัพภคีไม่ได้รับแต่งตั้งสั่งสอนภิกษุนีทั้งหลายถามในโอวาทศิขาบทนั้นมีพระบัญญัติพระอนุบัญญัติและอนุปนณะบัญญัติอยู่หรือตอบในโอวาทศิขาบทนั้น